กำลังนั่งสมาธิอยู่ต่อหน้ากองฟอนที่ผ่านการเผาศพมาใหม่ๆกลิ่นไอแห่งซากศพยังคุกรุญอยู่กิริยาของแม่ทุมจ้อยสงบนิ่งหน้าตาผ่องใสเหมือนไม่ใช่คนอยู่ไฟหรือคลอดบุตรมาใหม่ๆยมพ่อและญาติญาติจึงนำยมแม่กลับบ้านพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นกับหัวใจทุกๆคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำบรดลหรือหรือวเทพบันดาลก็หรือว่า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 ก็ต่างซุบซิบซักถามโต้ตอบซึ่งกันและกันโกร浑วุ่นวายเมื่อมีคนถามโยมแม่ทุมจ้อยท่านก็ไม่พูดว่าอะไรเพียงแต่บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพวกเมืองอยากรู้ก็ไปถามผีปา่าเทวดาเอาเองก็แล้วกันเมื่อโยมแม่พูดอย่างนั้นผู้คนก็เลิกถามกันไปเองด้วยเหตุนี้เองลุงปู้ศรีมหาวีโรในสมัยเป็นเด็กนั้นท่านจึงเป็นที่พิศวง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 ก็ช่วยหาบคอนต้นกล้าไปยังแปลงนาที่จะปักดำฤดูเจ็บเจียวเรียงฟอนข้าวมัดข้าวด้วยตอกนำขึ้นสุลานลอมชีวิตในท้องทุ่งสนุกสนานตามฤดูการไม่น่าเบื่อตามท้องไร่ท้องนามีธรรมชาติดา ด, ดื่นยิ่งในปลายฤดูฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนยี่เรื่อยไปจนถึงเดือนสามดอกไม้บานสะพรั่งไปท่ป่าทรงกลิ่นหอมหวนชวนให้เด็ดดมเช่นดอกสะมั่งดอกเล็บมือนาง ดอกพยอมดงดอกสาระีลำดวนคัดเขาดอกจิกดอกร่างดอกนมวัวดอกนมแมวดอกเมือดดอกกระถินป่าเป็นต้นในฤดูที่ดอกไม้บานเราและเพื่อนที่กำลังไล่ควายกลับบ้านในยามเย็นต่างพากันแวะปีนโน้มคว้าหักเอาจิงที่มีดอกบานสะพรั่งติดไม้ติดมือกลับบ้านมาคนละจิงสองจิงเพื่อให้พ่อแม่ได้บูชาพระในตอนเย็น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 ดังแววมาเป็นระยะเป็นเหมือนเสียงเพลงคลับกล่อมเด็กๆสนุกสนานในท้องนาป่านา้ำถึงยามฝนฝนก็สาดถึงยามหนาวก็หนาวจับใจเสื้อกันหนาวจะหาใสก็ไม่มีถึงยามร้อนก็ร้อนจัดพยับแดดระยิบระยับการเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมมลกอขอประถมกากาจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมศีสมัยเป็นเด็กเราเป็นเด็กขี้ขาดตาขาว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 เอาผ้าผ้าเฉลียงบ่าเหมือนพระหอมจีวร น, นั่งบนตั้งหรือเตียงแล้วจะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแต่งขันห้ามาทุกคนยกมาแสดงสัมมาคารวะถ้าไม่ทํามาเราจะแกล้งร้องห่มร้องไห้ฟุ่มฟายจนกระทั่งพวกเขาทขําขันห้ามาครบทุกคนเสร็จแล้วจึงจะแกล้งให้พรยถาสับพีเมื่อเลิกราจากการเล่นเรียบร้อยแล้วเราจะแอบมานั่งหัวเราะพอใจในภายหลังคนเดียว ราะแกล้งพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้สำเร็จลุงปุษีท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีท่านตองย้ำว่าโอ๊ยแต่ก่อนเรามันไม่ยอมใครง่ายๆนะเรานี่เมื่อศึกจากสามเณรแล้วยมพ่อยมแม่ได้นำเราไปฝากไว้ที่บ้านคุณครูประจบปจิรณะในอำเภอวาปีปทุมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้นปถมศึกษาปีที่หและ6ก่อนไปคุณตากัญชาได้อรมสั่งสอนเราผู้เป็นหลาน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 กวาดลานวัดทำความสะอาดสาลาหิ้วปิ่นโตเดินตามหลังพระบิดาบาดเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านใครไม่เชื่อฟังท่านก็จะไล่หนีหลวงปู่หลวงตาในวัดนั้นท่านจะสอนอยู่เสมอว่าเธอได้ทิ้งนาทิ้งไรมาศึกษาเล่าเรียนจงตั้งใจเรียนให้จริงให้ตื่นแต่ดึกศึกษาแต่หนุ่มเรียนให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนวาเยเมเทวปุริโสเกิดเป็นชาย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 ฝั่งหัวเรือตำบลหัวเรืออาวาปีประทุมจหมหาสา ร, รคามปีพุทธศักราช2482ย้อนมาสอนที่โรงเรียนน้องกรุงตำบลเสือโกกอาวาปีประทุมจหมหาสา ร, รคามเราเป็นครูน้อยแต่มากไปด้วยอุดมการไม่ชอบให้ครูใหญ่มาบงการในสิ่งซึ่งไม่ชอบทำเราเป็นครูหนุ่มใหม่ๆเรือดร้อนเป็นคนระห่าเหมือนที่หมอโหนได้ทำนายไว้เมื่อเห็นกิริยาของครูใหญ่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 จากอำเภอวาปีประทุมถึงอำเภอบอระเบือจากบอระเบือมุ่งตรงสู่สถานีรถไฟอำเภอบ้านไผ่ได้ขึ้นรถไฟไอ้น้ำชั้นที่สามใช้ฟืนเป็นพลังรถหัวจักเสียงดังฟืดฟาดฟืดฟาฟดเย็นย่ำค่ำจึงถึงเมืองโคราชเมื่อพักอยู่โคราชหนึ่งคืนได้มีเวลานั่งคิดถึงชีวิตพร้อมทั้งพิพจิรณาเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพ้นมาคิดถึงบิดามารดาผู้เคยถนอมเลี้ยง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 อันเป็นบ้านเกิดด้วยดวงใจที่ชื่นบานอัตราเงินเดือนแต่เดิมที่เคยได้แปดบาทคราวนี้จะได้เพิ่มเป็น12บาทซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยในสมัยนั้นขณะที่เราเดินทางด้วยเท้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดกลับสู่ถินมาตุภูมิด้วยความเหนือ่อยล้ามีชาวนาคนหนึ่งขับเกวียนผ่านมาเราจึงถามเขาเป็นที่เล่นที่จริงว่าวัวและเกวียนนี้ขายไหมเพื่อนเขาตอบว่า ถ้ามึงกล้าซื้อกูก็กล้าขายแล้วมึงจะขายเท่าไหร่เราถามเขาเขาตอบว่า12บาทเราจึงควักเงินออกใจ่ายในทันทีกระโดดขึ้นขี่เกวียนขับกลับบ้านอย่างสบายใจและสาใจที่ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2483เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตําบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีพุทธศักราช2485ได้ย้ายไปเป็นครูสอนที่บ้านเหล่ากุดน้อยตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดมีเรื่องเล่าว่าในเอดิตสมัยที่ท่านหลวงปู่ศรีเป็นครูท่านมีเพื่อนสนิทสามคนที่ฝากเป็นฝากตายได้กินดื่มเที่ยวด้วยกันคือครูนิยมครูนาคครูศีลาสายครูทั้งสี่คนมีนิสัยคล้ายคลึงกันคือทาอะไรทาจริง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 ถ้าว่าทางานก็ไม่รู้จักเข้าร่มตากแดดทำกันอยู่ทั้งวันตำนานเหล่านี้แม่นานมาแล้วก็ยังมีผู้เท่าผู้แย่เล่าขานให้ลูกหลานฟังกันไม่รู้จบหลวงปู่ีมหาวีโรท่านเล่า ว, ว่าในสมัยที่ท่านเป็นครูนั้นท่านจะมีนิสัยแตกต่างจากเพื่อนครูคนอื่นบ้างนั้นก็คือนอกจากจะกินดื่มและทำการงานจริงในทางโลกแล้วแม้ในทางธรรมก็เอาจิงเอาจังไม่เคยย่อหย่อน จิตใจฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาสม่ำเสมอเวลาบ่ายสี่โมงพระท่านตีโปรงแรงโป่งคือเครื่องตีบอกเหตุการณ์ต่างๆและบอกเวลาลักษณะคล้ายระฆังแต่เป็นไม้คือใช้ตีในเวลาเย็นหลวงปู่ศีท่านถือว่าเป็นเวลาเลิกสอนหนังสือเพื่อเข้าวัดฟังธรรมชักชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างพระไตรปิฎกถวายในวัดวันพระ โรงเรียนหยุดเข้าวัดจำศีลเราทำอย่างนี้อยู่ตลอดจนกว่าจะได้ออกบวชปีพุทธศักราช2485เป็นธรรมดาของครูในสมัยนั้นไปที่ไหนมีแต่คนเคารพนับถือยิ่งเรื่องหญิงสาวด้วยแล้วเห็นครูผู้ชายมักจะชอบแอบมองค้อนมีผู้หญิงที่รู้จักมากมายแต่ในที่สุดก็ปลงใจในความรักกับนางสาวสอนแสนเยมูลอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกสาว ของนายสุธรรมาแสนยมูลและนางล่าแสนยมูลนายสุธรรมาเป็นนายห้อยที่มีชื่อเสียงมีที่ดินมากมีควาย40ตัวการแต่งงานนั้นพ่อแม่และญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัดกา ร, รเรียกว่าจับขม่อมจอมขวัญสินสอที่เจ้าบ่าวนําไปแต่งเจ้าสาวจํานวน12บาทซึ่งเป็นเงินไม่น้อยในสมัยนั้นแต่งงานอยู่จินกําลังสอนผู้เป็นภรยาสร้างบ้านเรือน